หลวดนําสาวรอยของเสยไปในทันทีจันใช้มีดบากฟันต้นไม้ระไปเป็นลาดับรอยตีนของเสยปรากฏอยู่ตามพื้นที่จับหนาไปด้วยฝุ่นมองเห็นถนัดบ่ายหน้าเราะลัดตัดป่าแดงไปตามพุ่มไม้ซึ่งเป็นทางตัดแย่ไปมาด้วยด่านสัตว์เล็กๆครั้นแล้วก็เรียบชายเนินลงสู่บริเวณไร่ซ า, ากอันโรคล้างรอยเหล่านั้นเบาบางรางเลือนลงทุกขณะอันเนื่องมาจากพื้นเริ่มแข็งขึ้น และในที่สุดก็อันธารหายไปเมื่อคณะติดตามทุกคนพบตนเองยืนอยู่กลางไล่ลูกเดือยอันลกทึบสูงท่วมหัวสลับกับต้นหญ้าขนท้องฟ้าเหนือศีรษะขณะนี้มืดมิดเป็นสีดำสนิทเดือนเสี้ยวแฝงตัวเขากรีบเมฆหนีหายไปแล้วไม่เห็นแม้แต่ดาวสักดวงเดียวเสียงลมครางอู้เหมือนจะเกิดพายุแต่ไกลแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนกู่แว่ววู่วูตามลมมา จากทางระโมะบริเวณท้ายดงไผ่นั่นไงเสียงเสยกระมังชา ย, ยันร้องบอกออกมาโดยเร็วขยับจะป้องปากกู่รับบ อ, อกไปแต่ทันทีนั้นเองแล้พินก็คว้าข้อมือไปเสียก่อนอย่าครับไม่ใช่เสียงคนกู่หรอกถ้าขืนกู่ตอบออกไปมันจะกูข่ขานมาอีกแล้วเราก็จะหลงเดินตามเสียงกู่ผิดทิศทางออกไปเลยชายยันชะงักลงตามคำปรามของเขาทันที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 จันใช้มีดฟันต้นหญ้าขนและแหวกออกค้นหาร่องรอยของเสยออย่างระมัดระวังบุญคำแหงนหน้ามองดูท้องฟ้าอันมืดมิดพางเ อ, อกาก้อน砂ขว้งสูงขึ้นไปแล้วพินกลับเกิดบุกสว่บสาบแหวกพงไปอีกด้านหนึ่งแล้วก็กลับออกมายืนเ ม, ม้มริมฝีปากเขาค้นไม่พบเขาเงือ่อนร่องรอยใดๆของเสืยในละแวกนั้นรอยของเสืยหายไปไหนจากรอยเท้าครั้งสุดท้ายที่เราตามมาบอกชัดว่าเขาควรจะมาทางนี้ไม่ใช่หรือ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 เพราะรู้มือ ก, กันมาก่อนทั้งหมดตามการนำของบุญคำไปอย่างเงียบสงบท่ามกลางหัวใจอันสั่นสะทึกขณะนั้นนาฬิกาพลายน้ำที่ข้อมือของชายยานบอกเวลาสองนาฬิกาตรงบุญคำนำเลาะลัดมาถึงปากป่าไผ่อันจะนำ้าสู่บริเวณหมู่บ้านผู้เตยบอกให้เกิดส่งใต้มาให้จุดสว่างโชนขึ้นถือชูไว้ในมือซ้ายอีกมือหนึ่งก็ซัดข้าวสารออกไปทั้งสองด้าน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 ครั้นแล้วก็กลายเป็นสำเนียงร้องควรคลางเหมือนคนที่ตกอยู่ในห่วงทุกข์ทรมารใกล้จะตายประกดรอบด้านห้หวน์ัรหนึ่งว่ามันจะดังมาจากหลังพุ่มไม้ใกล้ๆรอบตัวที่ผ่านเข้าไปนั่นเองน้อยได้ยินอย่างที่ฉันได้ยินหรือเปล่าอาดีตนายทหารปันใหญ่กระซิบข้างหูเพื่อนสาวผู้เดินอยู่เคียงข้างมือเย็นเฉียบของดาลินเอื้อมมาจับแขนช ย, ยันบีบแน่นกระซิบตอบที่ยิน เหมือนคนกำลังจะตายสัก 20-30 คนคลางขึ้นพ ร, พร้อมๆกันไม่กระสียงเหมือนเปรตที่อดอยากร้องขอส่วนบุญเธอได้ยินยังไงเหมือนกันทั้งสองเร่งฝีเท้าขึ้นไปเดินขนาดพานใหญ่ผู้เดินตามบุญคำไปอย่างสงบก็ได้ยินเสียงแผ่วต่ำบอกมาสั้นๆว่าเฉยไว้ครับทัานใดนั้นเองทุกคนก็ต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะเกิดผู้เดินรางท้ายอยู่เบื้องหลังร้องวักออกมาสุดเสียง กระโดดตุบตับอยู่กลางทางเดินต่างหันควับส่องไฟจับไปที่ร่างของพ่านพื้นเมืองก็เห็นเกิดหน้าขาวราวกับศพตาเหลือกลานกระโจนพรวดก็ามายืนตัวสั่นอยู่กลางวงคางกระทบกันกล่าวหน้าปากพูดแต่ฟังที่เป็นภาษาบุญคําก็ตาดก็มาตกฉาดเข้าให้ที่หน้าแล้วขย่าคอไอ้เกิดยัเงเป็นอะไรเกิดชี้โบชี้เบไปที่ซุ้มไผ่ริมทางด้านหลังก็หืดกระหอบเหมือนปลาสำลักน้ํา ชยยานกาดำมืดฉาบอย่างตาแหน่งที่เกิดรับหูดับตาชี้และจับนิ่งอยู่ที่สิ่งหนึ่งบนพื้นดินริมทางเดินมันตั้งอยู่บนกองใบไม้แห้งลักษณะเหมือนลูกตาลยีพองมองเห็นถนัดดาลินก็แทบปลุกปากร้องออกมาดังๆวัตถุสีกรครค้งนั้นคือศีรษะของมนุษย์ศีรษะหนึ่งปราศจากบ่างสิ่งที่ดูครั้งแรกเหมือนลูกตาลยีก็คือเส้นผมอันเป็นกระเซิงติดหนังหัว ในตากับจมูกพวงลึกหายเข้าไปมีแต่หนังหุ้มกระดูกแห้งมองเห็นฟันขยเหนอา้าเสยลาวกับจิ้มในหน้านั้นตั้งสู้แสงไฟพร้อมกับภาพที่จะท้อนเข้าสู่จักสุขของทุกคนกลิ่นเหม็นสารของศพตายซาก็โชยตะระบจนแทบทนไม่ไหวโทไอ้ดิยำเกิดเห็นหัวศพแค่นี้เองก็ร้องป่าแตกเส็จแล้วบุญคาสบดร่นานออกมายางเดือดการ เกิดยังคงตาเหลือดอยู่เช่นนั้นอาปากพะง่าพะง่ารุง่งขามมันไม่ใช่หัวโศพเห็นตั้งอยู่นั่นเฉยๆนะสิหรือทาไมมันปิ้งครูครูก่มาจากริมทางอีกฝ้าหนึ่งพันอยู่กับตีนฉันทีแรกฉันนึกว่ารูกมะขีดหล่นจากต้นกลิ้งมาถูกตีนพอส่องไฟดูก็หันมาอ้าปากแงบแงบไล่กับตีนฉันฉันก็เลยเตะมันจะเดินไปโน่นให้ลากเลือดลงแดงตาโห ง, ต า, หงตายหาสิอา้าว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 ระวังนะครับนายเอาเถิดหน้าไม่ต้องห่วงหรอกบุญคำกับจันถอยลงไปเดินปิดหลังอยู่ท้ายขบวนส่วนเจ้าเกิดซึ่งบัดนี้ขวัญเสียเต็มทีตัวสันเทาอยู่ตรงกลางระหว่างดาลินและชายยันและบินยืนต่งานนิ่งอยู่เบื้องหน้าของทุกคนเป็นหัวแถวแทนบุญคำไม่มีใครเดาถูกว่าเขากาลังทาอะไรอยู่ในขณะที่สงบนิ่งราวกับลูกปั้นนั้นอึดใจต่อมาก็เริ่มก้าวสูสวดนาริ่งไปเบื้องหน้า พายุเริ่มพัดแรงขึ้นทุกขณะเมื่อใกลเก้เขตหมู่บ้านเข้ามาเสียงกิ่งไม้ใบไร่เสียสีกระทบกันดังยิ่งขึ้นสำเนียงที่สดับเป็นเสียงคนคลางหายไปแต่กลายเป็นเสียงคล้ายๆ ค, คนซุบซิบ พ, พูดจา ก, กันดังแทรกอยู่ทุกสุม่มถุมพุ่มพลกบางขณะก็มีเสียงแสจาอยู่ในพงรกริมทางราวกับคนเดินแหวกผู้ไม้ตามติดมาทุกระยะดาบินคนลุกเกลียวตลอดเวลาลอนขยับปืนในมือขึ้นหลายครั้ง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 ก็ปรากฏเสียงดังคึกคึสะท้อนไปในความเงียบและดูเหมือนจะ ก, กงวานหลอกล้ อ, ก, ลอ ก, กันอยู่ไปมาไม่มีสิ้นสุดประเดี๋ยวมันไปดังอยู่เบื้องหน้าประเดี๋ยวกลับไปดังอยู่เบื้องหลังดาลินเดี๋ยวจำเรือมาทางเบื้องหลังก็เห็นบุญคํำซัตว์เข้าสารเศษของแกออกสองฝ้ากลางเป็นระยะปากกระท่องบนคาถาอยู่งิมงิมจะเป็นด้วยอุปทานหรืออะไรก็ตามทีหญิงสาวสังเกตเห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มสองฝั่งทางที่ผ่านไป เหมือนมีคนมายืนเรียงรายจับกลุ่มกันอยู่คัันศาสตร์ไฟจับเข้าไปมันก็อันตรธานหายไปกลายเป็นกิ่งก้านของใบไม้และจอมปลวกระพินคงนำหน้าไปด้วยอาการปกติเลี้ยวอ้อมต้นตะคล้อใหญ่อันเป็นทางสองสายมาบรรจบกันตรงที่มีเกลียนหักเล่มหนึ่งจอดอยู่ริมทางพรานใหญ่ผู้เดินนาอยู่เบื้องหน้าหยุดชะงักตึกตรงอีกครั้งเบื้องหน้าของเขาห่างประมาณ 14- 16่เก เจ้าก้อนลูกตาญีสีคำคำปรากฏตั้งเด่นดักหน้าขวางอยู่กลางทางปรากฏชัดอยู่ท่ามกลางแสงไฟที่พุ่งจ้าออกไปดาลีนหัวใจแทบหยุดเต้นลงในบัต น, นั้นหล่อนจาได้อย่างถนัดตามันเป็นศีสันอันเดียวกับที่พบมาแล้วเมื่อคู่ใหญ่นี้เองชัยยันเผ่นบูกเดียวขึ้นมายืนเคียงข้างระพินเบิกตาแทบถลนจ้องไปยังหัวอสุพาน น, นนั้นกันี้ลงพัดหัวแรงลงต่ำ เต่าใบไม้ตามพื้นดินปิวกระจายฟุ้งขึ้นศีรษะอันหน่าเกลียดหน้ากลัวเบื้องหน้าเคลื่อนไหวกริ้งครุกคลิกอยู่กับพื้นราวกับมีชีวิตให้ตายดับไปเดี๋ยวนี้เถิดไอหัวผีเมื่อตะ ก, กี้นี้นินามันมาดักหน้าเราอีกแล้วชายยันกัดฟันปรดุษสวาด์ออกมาแล้วะพีนไม่เอ่ยคําใดทั้งสิ้นนอกจากหัวเราะหึอ่ห อ, อยู่ในลาคอขยับมีดเดินป่าในมือปีเข้าไปที่ศีรษะนั้น ด้วยอาการอันเยือกเย็นหั่นคงประมาณ 3-4-9 ก่อนจะถึงลิ่งขุกขุกไปตามทางเดินห่างเขาออกไปอีกจะเป็นจากกระแสโดงแดงที่พัาจา ก, กเบื้องหลังเขาหรืออะไรก็สุดที่จะบอกได้ในที่สุดมันก็กลิ่งไปติดโคลกองไผ่ริ่มทางแยกเขี้ยวขาเส้นผมเป็นกระเซิงถูกลมพัดปลิวพเย่อพยาดอยู่ตรงนั้นการใหญ่เดินเฉียดเข้ามาใกล้ ตวัดมือฟันจุดลงไปที่ศีรษะของหน้าสะพึ่งกลัวนั้นมันกระเด็นตามแรงฟันท้ายเข้าไปในพงรกปรากฏเสียงร้องโอ๊ยดังก้องทุกคร้งห น, น, งนึ่งอยุ่ที่ผมมีดหัวฉับออกไปแล้วก็กลายเป็นเสียงร้องครางอยู่เบาๆชายยานสะบดกล้ามพายุว่าดีเดือดฉายไฟตามศีรษะนั้นเข้าไปในพงรกพอจับเป้าได้ขนาดเห็นมันติ้งอยู่ใต้ซุ้มไม้ก็ขนาำลูกซองออกไปเสียงสนั่นป่ากระสุนลูกปลายทั้ง9้าเมตร รวมกลุ่นขึ้นเข้าไประเบิดหัวอันปาจากร่างกระจายออกเป็นเสี่ยงเห็นแต่เศษปล่อยผมห้อยรุ่งดิ้งติดอยู่กับกิ่งไม้พ่อบ้าเลือดขึ้นมาม่งแล้วเอามันก็พินเสือช้างขโมวดแล็ดกันลบกับมันมามากแล้วคืนนี้ลบกับผีดูสักทีเป็นไรกันลูกปืนนี่แหละดีนะดูซิว่าผีมันจะทานไปได้ไหมบุญคำอย่ามัวแต่เอาเข้อสารศาสตร์อยู่เลยลูกปืนดีกว่าเห็นมันอยู่ที่ไหนเอาลูกปืนก่อเข้าไปอ้าว พวกมึงแน่จริงโขกมาอดีตนายทหารปืนใหญ่ตะโกนเอตโรไปในความเงียบระเบิดกระสุนกึบก้องกับอำนาจขึ้นอีกนัดหนึ่งเข้าไปในพุ่มไม้ริมทางใบไม้ขาดกระจายปิววอนดาลินยืนตะลึงตัวแข็งด้วยอำนาจของความหวาดกลัวสยดสยองต่อเหตุการณ์ผองขนก็ผ่านได้สติขึ้นมาในบัตรนั้นมหิดที่ริดของเสียงปืนช่วยขับไล่ความขวัญห น, นีดีฟอและเพิ่มพลังใจให้ได้อย่างประหลาดและมันก็ได้ผลจริง ทันทีที่ชายยานเปิดฉากอรารวาดขึ้นสิ่งอันน่าสะเพึงกลัวรอบด้านก็ดูเหมือนจะถูกทำลายไปหมดสิน้นแม้กระทั่งเสียงหมาป่าที่หอนเยือกอยู่ในขณะนี้ก็เงียบหายไปเป็นปลิดทิ้งบุญคำเดินโค้งหัวเข้ามาบ่นพำนายทหารทำเสียพิธีเสียแล้วบุญคำบูชาสะกดตลอมมาอย่างดีแต่แรกหมายจะให้พวกนายดูอะไรแปลกๆที่ไม่เคยเห็นแล้วก็จะเอาปราบผีดิบของอียับขินให้ได้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 นายทหารยิงตื่นขึ้นแบบนี้ก็รู้แล้วรู้รอดดีเหมือนกันครับบุญคาว่าปนหัวร้อห้าวห้อยู่ในลําคอเช่นเดิมหาไม่บุญคาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพวกเราที่มาด้วยการจะสะกดใจมีสติมั่นคงได้เช่นไหนพลาดพังยังไงจะยุ่งกันใหญ่ใจบุญคนานายอยากจะมากับพรานใหญ่เพียงสองคนเท่านั้นไอ้เกิดก็ขี่ขึ้นไปอยู่บนขอมอสิ้นแล้วนายหญิงแม้จะเก่งกล้าสักขนาดไหนก็เป็นผู้หญิง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 ที่ฉันทำลายพิธีของบุญคำเสียเพราะรู้เท่าไม่ถึงการฉันอาจเป็นคนที้ขาดเกินไปหน่อยก็ได้ถ้าเธอไม่ยิงมันเมตกี้นี้ฉันก็ยิงดาลินแอบกระซิบเสียงสั่นกับเพื่อนชายก่อนที่จะมาหล่อนมีความกล้าหาญเด็ดเดียวพอที่จะพิสูจน์แล ะ, ะเผชิญหน้ากับสิ่งอันรี้รับน่าสะพึงกลัวนี้ได้แต่ยามนี้หล่อนไม่มีความรู้สึกชนิดนั้นเหลืออยู่อีกเลยและไม่เสียดายแม้แต่นิดเดียวในข้อที่ว่า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 ชายยันหันไปพยักหน้ากับพรานใหญ่รีบไปเถอะผมเป็นห่วงเสยจ์จนบอกไม่ถูกแล้วอยากจะเห็นให้ชัดออกไปว่าเสย์อยู่ที่เรือนของผาเอิงอย่างที่บุญคำว่าจริงแค่ไหนและอยู่ในลักษณะยังไงรถเพียงเครื่อนำต่อโดยเร็วไม่มีสิ่งใดกระตุกกระต่างอีกทั้งสิ้นนอกจากเสียงลมที่พัดแรงประท้ากิ่งไผ่คางหวุวิวครู่เดียวก็ถึงปากทางตะเคียนคู่ แลเห็นหมู่บ้านร้างผู้เตอยืนตัวเงียบสงัดอยู่ท่ามกลางแสงไฟฉายดาลินตัวเย็นเฉียบขึ้นอีกครั้งเมื่อมองเห็นลักษณะของบ้านเดือนร้างน่ากลัวเหล่านั้นจันกับเกิดคลางหืมอยู่ในรำคอชายยันทำจมูกฟุดฟิดแล้วควักบุหรี่ออกมาจุดสูบเขารู้สึกว่ากลิ่นซากศพที่ชยมาแต่จมูกในครั้งนี้เหม็นรุนแรงยิ่งกว่ามือคาวที่เข้ามากับกระเพียนตอนหัวข้าเสียอีกทันทีนั่นเอง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 และซากเปิดเผยออกมาให้เห็นทว่าบัตรนี้มันเหลือไว้แต่เพียงเสือที่ห่อเท่านั้นศพนั้นอันตรธานหายไปเสียแล้วทั้งสองหันมามองดูตากันเองในขณะที่คนอื่นๆไม่เข้าใจความหมายแล้วพินกัดริมฝีปากสองฝ่ายไปยังบริเวณลานและที่ถุนเรือนที่เคยเห็นห่อศพลักษณะเดียวกันตั้งทิ้งอยู่กลาดือไม่มีศพใดเหลือทิ้งไว้ให้เห็นเลยแม้แต่เพียงศพเดียว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 บางสิ่งบางอย่างทำให้รันเอะใจก้าวเข้ามายืนเคียงอะไรหรือผานใหญ่สกิดชายันไว้นับประจนภายชาวกรุงไหวทันในอาการปามของเขาก็กบเกลื่อนมาว่าเปล่าไปที่เรือนผาเอิงกันเถอะทั้งหมดเดินรวมกลุ่มเป็นขบวนกาดไปฉายไปรอบด้านแล้วพากันเดินตัดลานผ่านไปตามเรือนกะเลียงร้างเหล่านั้นโดยมุ่งไปยังเรือนใหญ่อันเคยเป็นเรือนอาศัยของผาเอิงหัวหน้าบ้าน ท่ามกลางกลิ่นสาบสารที่โชยตลบอบอวลจนแทบสำลักพายุคงพัดแรงและหมุนวนผิดวิกลอยอยู่เช่นนั้นหอบอเสษใบไม้และแฝกมูอลังคาปลิวว่อนแต่และเรือนที่เดินผ่านไปมีทีท่าเหมือนจะถล่มพังลงมาใส่ไหวโยกอยู่พเยอพร่าอึดใจต่อมาต่างก็มาถึงที่หมายตำแหน่งซึ่งระพินและชา ย, ยานมาก่อแล้วตอนหัวข้าบันไดสูงชันแบบเรือนกระเหลี่ยงทั่วไปที่ชา ย, ยานเห็นทอดลงมา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 เขาบุ้ยปากไปยังบันไดที่ขึ้นไปตั้งอยู่บนชานเรือนแยกเกี้ยวตอนที่ฉันมากับรัพย์พินมันยังทอดลงมาถึงพื้นอยู่ดีๆเดี๋ยวนี้มันถูกชักขึ้นไปเก็บไว้บนนั้นเสียแล้วดาลินรุดปากร้องอะไรออกมาคําหนึ่งแล้พินหันไปทางจันท์ออกคําสั่งห้าๆว่าจันทร์ปีนสาวขึ้นไปหย่อนบันไดลงมาจันทร์ผู้มีความกล้าหาญกว่าเกิดไม่พูดคําใดสะบัดไรเฟินที่สะพายไหลและมีดในมือส่งไปให้บุญคาช่วยถือ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 ทัู้มีเส้นผมคลุม ล, ลงมาบังไว้กำลังจ้องหวี่จักรโจนเข้าใส่เขายักขินแค่เดียวที่เห็นเท้าของจอมบานก็เวียงโคลงออกสุดแรงเกิดเสียงรองเท้าเดินป่าสัมผัสกับอะไรชนิดหนึ่งดังสนั่นร่างนั้นกระเด็นดุดออกไปจากปกของจันแล้วเผ่นผางขึ้นอย่างรวดเร็วโจนเข้าใส่เข่าราวกับเสือแล้วผินเบี่ยงฉากปาดแขนออกไปส ก, กัด พอเขายุ่มจับได้ก็พลิกตัวฟาดหงายตึงลงกับพื้นจนเลื่อนสทานเขาพุ่งตัวเขารวบไว้ด้วยพลังที่มีอยู่ทั้งหมดและด้วยชั้นเชิงของยิวยิดซรอกแขนควาไว้ไปเบื้องหลังสัมผัสขณะที่กระทบการคลุกคลีใกล้ชิดมันบอกดิชัตว่านี่เป็นเนื้อหนังมังสาของมนุษย์แต่เลี่ยวแรงร้ายกาศมันสะบัดดิ้นโดยนัส่งเสียงแหลมยุกรีธก้องไปทั้งเลือนจังหวะอัญชุลมลนี้เอง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 โคุณชยันน็อกมันให้สลบไปก่อนการใหญ่ตะโกนสุดเสียงขณะที่ล็อกแขนเสยจนอกแอ น, นอยู่ด้านลังใบหน้าของเสยในขณะนีไ้ไม่มีใครจำได้เลยเว้นไว้แต่จะจำจากรูปร่างลักษณะเท่านั้นมันเป็นทรงหน้าบูดเบี้ยวหน้ากลัวที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนตาทั้งสองกรอบกลับป ร, รับเปลือกแลบลิ้นปิ้นตาและแผดร็อกอกรี๊ดกรีดอยู่ช่นนั้นชายาันโจรผาเข้ามา ง้างหมัดขึ้นสุดระหมายยิงเข้ากระโดงคางกะให้หลับไปเลยแต่บุญคำกระชากแขนไว้ก่อนร้องเหลือตือยาในทหารไม่มีประโยชน์บุญคาําเองฐานข้าแห่งเขาอุมนขึนบุญชายยานห่างออกไปล้วงมือคว้าเรียวไข่ได้เล็กออกมาจากย่ามคว้ายกขพ้นเสกแล้วฟาดเบาๆที่แสงหน้าของเสิร์ซึ่งกําลังบิดตัวดิ้นบีบเป็นผู้หญิงอยู่นั้นใบหน้าอันกรอกวิ่งผิดบรรุนนาผงาดตาเหลือบค้าง ส่งเสียงหวีดแหลมยาวออกมาเป็นครั้งสุดท้ายแล้วคออ่อนทักลงเหนืออ้อมแขนของแม่ปีนไปในบัตรนั้นเขาก็ค่อยๆผ่อนร่างของเซยลงนอนราบกับพื้นทุกคนยืนรายร้องตรลุมนันไปชื่อขนาดบัตรนี้จันก็ค่อยยันกายลุกขึ้นมาได้แล้วใบหน้าขาวซีบปากจากสีเลือดอย่างอกสั่นขว้างแขนเดินเอามือคุ้มคอหอยเข้ามาพิจารณาดูหน้าของเซย์ด้วยดวงตาเบิกโพล์พังออกมาเสียงสั่นไอเซยหรอกนี่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 จนกระทั่งเขาล้มลงแล้วนั่นแหละถึงได้เห็นชัดว่าเป็นเสยของเราทานใหญ่งนันไม่เพียงแต่จันชา ย, ยานหรือดาดินเท่านั้นที่มองเห็นว่าใบาหน้านั้นไม่ใช่เสยขณะที่ยังอยู่ในระหว่างต่อสู้ชุลมุนอยู่แม้กระทั่งเขาเองแท้แท้ก็ยังเห็นเช่นนั้นดูเหมือนจะเห็นได้ชัดเจนเท่าๆกับจันนั่นแหละท่ามกลางความมืดมิดที่แสงไฟยังไม่สาดเข้ามาร่างที่เข้าเล่นงานจันแม้แท้ที่จริงจะเป็นร่างกายของเสย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 แต่เหนือกว่าความรู้สึกอื่นใดทั้งมวลในขณะนี้ต่างก็ยังปฏิยินดีใจชื้นขึ้นที่ค้นพบตัวเสยอึดใจใหญ่หล่อนก็เงยหน้าขึ้นไข่ขึ้นสูงทีเดียวแต่ก็ยังดีที่เขาไม่เป็นอะไรถึงกับชีวิตไปเสียก่อนรับมาตัวกลับเถอะแล้วเปียนบอกให้จันกับเสยช่วยกันแบกเสยลงจากเรือนดาลินตามลงไปด้วยตัวเขาเองชายยันและบุญคาสารวจดูตลอดทั้งเรือนหลังนั้นอีกครั้ง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 บุญขามยืนอยู่บนชานเรือนเป็นคนสุดท้ายตะโกนลงมานายผมว่าอย่าเอามันไว้เลยเอาพ่อเพลิงล้างมันเสียเถอะพวกมันจะได้เปผุดไปเกิดดีแล้วเผามันเสียให้หมดทั้งหมู่บ้านนี่แหละ